จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดเพราะการมาวัดนี้เป็นการมาทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายและสิ่งอื่นๆต่างๆทั้งหลายในโลก ใจนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราถ้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามไปหมดถ้าใจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ดีตามไปหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าใจนี้เป็นประธานใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจถ้าเราดูแลรักษาใจ เราก็จะได้ใจที่ดีสิ่งต่างๆที่เกิดในใจก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจปล่อยให้ใจถูกอำนาจของกิเลส ต, ตัณหาครอบงาก็จะทำให้ใจเราไม่ดีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจก็จะไม่ดีเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ได้ยินได้ฟังกันนั้นเชื่อหรือไม่ว่ามันอยู่ในใจของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานพูดถึงความสำคัญของใจว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจอยู่ในใจของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ก็อยู่ในใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นเดราจฉานก็อยู่ในใจของเราเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานี้ mm hmm. เช่นนรกสวรร mm hmm. ค์นี mm hmm. ก้ก็คือสภาพของใจนี้เองเวลาใจมีความสุขใจก็เป็นสวรรค์เวลาใจมีความทุกข์ใจก็เป็นนรก ถึงเวลาก็จะต้องไปเอารูปร่างของสัตว์ต่างๆมาเป็นสมบัติครอบครองอย่างพวกเรานี้ตอนมาเกิดใจพวกเราเป็นมนุษย์เราก็ได้ร่างกายของมนุษย์มาเป็นร่างแต่ก็อยู่ได้ไม่นานร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับไป ใจก็ต้องไปหาร่างใหม่ใจจะไปได้ร่างแบบไหนจะเป็นร่างของมนุษย์ร่างของเทพของพรหมร่างของพระอริยเจ้าหรือร่างของเดรัจฉานของเปรตก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของใจนี้เองใจที่คิดนี่แหละคือเป็นคือความคิดนี่แหละเป็นการกระทําของใจ ถ้าคิดดีใจก็ดีตามไปเช่นวันนี้พวกเราคิดดีเราคิดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมคิดอย่างนี้ก็ทำให้ใจเป็นใจที่ดีทำให้ใจเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาอยู่ที่ความคิดนี้เพราะใจนี่แหละเป็นผู้ สั่งการให้ร่างกายไปทําตามอะไรต่างๆตามความคิดของของใจวันนี้เราคิดดีคิดมาวัดคิดนําเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระคิดมารักษาศีลคิดมาฟังเทศฟังธรรมคิดมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบหล่านี้เป็นวิธีการที่สร้างความสุข สร้างสวัสด์สร้างมรรคผลนิพพานให้แก่ใจในทางตรงกันข้ามถ้าใจคิดไปยิงนกตกปลาไปหาความสนุกเพลิดเพลินกับสุรายาเมากับการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ก็จะสร้างความร้อนขึ้นมาในจิตใจเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิง ที่จะทำให้เกิดไฟเกิดไฟความรุ่มร้อนขึ้นมาในใจพอเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วใจจะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นปกติจะกระสับกระส่ายจะกระวนกวายจะอยากทำอยากได้ในสิ่งที่อยากทำอยากได้และถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยวิธีที่สุดจริต ก็จะไปทาบาปทากรรมอยากได้อะไรไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีสุจริตก็ไปลักขโมยบ้างไปฆ่าผู้อื่นบ้างไปประพฤติผิดโอเวณีบ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างพอทาบาปแล้วใจก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาเป็นนรกขึ้นมาเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานขึ้นมาทันทีทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจ ปัญหาของพวกเราเป็นอยู่ตรงที่เราไม่รู้จักใจของเราใจไม่รู้จักตัวของมันเองใจไปหลงคิดว่าร่างกายที่ใจมาครอบครองนี้เป็นตัวมันพอร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพียงแต่คิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้นยังไม่ทันเกิดขึ้นเลย ใจก็ไม่สบายแล้วใจก็ท้อแท้หมดกำลังใจแล้วนั่นเพราะใจถูกกิเลสคือความหลงหลอกให้ไปหลงผิดเป็นชอบนั่นเองหลงว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราไม่เป็นใจแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเหมือนกับวัตถุต่างๆเช่นบ้าน หรือรถยนต์เขาก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองเราก็ได้เขามาเป็นสมบัติไว้ครอบครองแต่เรามีความรู้ว่ารถนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงบ้านนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเวลารถหรือบ้านเป็นอะไรไปเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นอกจากพวกที่ รักรถมากๆหรือรัดบ้านมากๆยึดติดกับรถกับบ้านมากๆนี้ก็จะทุกข์ได้เวลารถเป็นอะไรไปก็เกิดคว้าไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะการที่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาในใจเกิดเป็นอบายขึ้นมา อบายนี้เกิดจากความร้อนของจิตใจส่วนสวรรค์นี้เกิดจากความเย็นของจิตใจถ้าใจมีธรรมะได้เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของใจเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจได้มาเป็นสมบัติตั้งแต่ร่างกายของตนเองไปจนถึงร่างกายของคนอื่น เช่นร่างกายของสามีของภรรยาของบุตรของทิดาของบิดามารดาของญาสนิทมิตรสหายนี้ก็เป็นร่างกายเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟและเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่อยู่ไปตลอดมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย แล้วไหนที่สุดก็จะแยกแตกสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราก็จะไม่หวังหรือไม่ยึดติดอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ อยู่กับเราไปตลอดเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเราปล่อยวางได้เรายอมรับความจริงใจของเราจะเย็นจะสบายจ ะ, จะเป็นสวรรค์ขึ้นมา ท, ทันทีนี่แหละคือเรื่องของใจอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ว่าใจนี้ถูกเหมือนกับคนที่ถูกเอาผ้ามาปิดตาไว้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆต า, ตามความเป็นจริงได้ไม่เชื่อลองดูลองเอาผ้ามาผูกมัดปิดตาไว้แล้วลองเดินไปเ ด, นเดินไปตามสถานที่ต่างๆใจก็จะไม่รู้ว่าสถานที่ที่กำลังเดินไปนั้นเป็นอย่างไร <Yeah. S 2> ก็ต้องจินตนาการไปคิดไปตามความรู้สึกนึกคิดซึ่งจะไม่ตรงกับความจริงฉันใดใจของเราก็ถูกม่านหรือผ้าของโมหะความหลงนี้ปิดบังใจไว้ทำให้ใจไม่สามารถเห็นตัวของใจเองได้ไม่รู้ว่าใจนั้นต่างจากกาย ไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นกายไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าอะไรทําให้ใจทุกอะไรทําให้ใจสุขไม่รู้ว่าอะไรทําให้ใจเป็นสวรรค์อะไรทําให้ใจเป็นนรกก็เลยมักจะทําไปในทางที่ผิดตามความหลงความหลงนี้จะหลอกว่าใจนี้เป็นนัน่นเป็นนี่เช่นเป็นร่างกาย เมื่อมีร่างกายก็ต้องดูแลรักษาร่างกายก็ต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายทำมาหากินด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้มีปัจจัยสี่ไว้มาดูแลรักษาร่างกายแล้วถ้ามีเงินทองมากก็ถูกใจหลอกอีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขมากก็ต้อง หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแต่หารู้ไหมว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะละก็เป็นเหมือนกับยาเสกติต่อให้ได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็ตามจะไม่ทําให้ใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุขที่ถาวรเลยจะได้เพียงแต่ความสุขเพียงชั่วขณะที่ได้ เสพได้สัมผัสเท่านั้นเช่นเวลาเราอยากจะดูหนังเราไปดูหนังแล้วเราก็มีความสุขในขณะที่เราดูแต่พอออกมาจากโรงหนังแล้วความสุขนั้นก็หายไปอยากจะได้อย่างอื่นอีกอยากจะไปรับประทานอาหารอีกอยากจะไปรับประทานขนม อ, อีกอยากจะไปดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอีกพอไปทําเสร็จแล้ว ก็จะมีความอยากอย่างอื่นตามมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความสุขต่างๆที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆภายนอกนี้ไม่ได้เป็นอาหารที่แท้จริงของใจเป็นอาหารว่างเป็นเหมือนขนมกินแล้วก็มีความสุขเดียวๆประเดียวก็หิวอีกแล้วอยากจะกินอีกแล้วอยากจะดูอีกแล้วอยากจะฟังอีกแล้ว อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่อกแล้วนี่เป็นเพราะอำนาจของความหลงมันปิดบังจิตใจทำให้ไม่เห็นความสุขที่แท้จริงความอิ่มความพอที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์แรกที่สามารถที่จะเอาผ้าที่ปิดตาใจนี้ออกไปทำให้สามารถมองเห็น สิ่งต่างๆได้ตามความจริงเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ใจร่างกายไม่ใช่ใจสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นสมบัติของใจคนบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสมบัติของตนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพียงเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเป็นเพียงร่างกายเป็นเหมือนรถยน รถยนต์นี้เมื่อใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะต้องเสื่อมไปแล้วในที่สุดมันก็จะพังไปร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็ต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเสื่อมไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปด้วยกันทุกคนนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้เอา ผ้าที่ปิดบังพระทัยของพระพุทธเจ้าออกไปแล้วก็ทรงเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของใจเลยใจนี้เป็นอย่างหนึ่งส่วนต่างๆสิ่งต่างๆทัง้ ง, งหลายเป็นของธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานก็มาจากดินน้ามลมไฟมาจากอาหาร อาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟเมื่ออาหารเข้าไปในร่างกายก็เปลี่ยนสภาพเป็นอาการสาสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอวัยวะต่างๆแล้วพอร่างกายหยุดหายใจอาการสาสิบสองนั้นก็ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากอาการสาสิบสอง ก็กลับกลายเป็นบินน้ำลมไฟไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นเมื่อทรงรู้อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่หลงยึดติดไม่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้คิดว่าเป็นตัวของท่านเป็นสมบัติของท่านท่านก็ไม่เดือดร้อนเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของพระองค์เองหรือเกิดกับร่างกายของญาติสนิทมิสหาย ของพ่อของแม่ของพี่ของน้องใจของพระพุทธเจ้าก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจไม่ต้องเดือดร้อนอะไรกับร่างกายเหมือนเราไม่เดือดร้อนกับรถยนต์กับบ้านช่องบ้านมันจะถูกไฟไหม้ไปมันก็ไม่ไป แต่มันไม่ได้ไม่ัมนไม่ได้ไหม้ตัวเรารถจะพังไปมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายของเราพังไปฉันใดร่างกายของเราเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ทาให้ใจเป็นอะไรเช่นเดียวกันดังนั้นใจก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจก็ไม่วิตกไม่กังวลอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้เห็นกัน ถ้าเราเห็นแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพลาดพลาดจากกันเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเหมือนกับฝนตกแดดออกอย่างนี้เป็นต้นเราไม่เดือดร้อนกับเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดติดกับเขานั่นเอง เราไม่ได้ไปยึดติดกับฝนว่าจะต้องตกทุกวันเราไม่ได้ยึดติดกับพระอาทิตย์ว่าจะต้องมีจะต้องมีแสงสว่างทุกวัน<ม>บางวันก็มีแสงสว่างบางวันก็มีเมฆมีหมอก<ม>บางวันก็มีฝนเราก็อยู่กับเขาได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาของเขาฉันใดถ้าเราดูร่างกายของเราและของผู้อื่น และสิ่งของต่างๆในโรคนี้ว่าเขาก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเขาไม่เป็นเหมือนเดิมดูร่างกายของลูกเราลูกของเราดูสิเวลาออกมาจากท้องพ่อจากท้องแม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนี้มันเปลี่ยนมาเรื่อยๆและมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนกับปู่ย่าตายาย และต่อไปเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับคนที่นอนอยู่ในโรงศพเพราะนี่มันเป็นขั้นตอนของร่างกายที่จะต้องเป็นไปเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราใจของเราต่างกับของพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรงที่ใจของพระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นใจใจจึงไม่เดือดร้อนแต่พวกเราใจของพวกเรานี้ไม่รู้ ใจของเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจพอร่างกายจะต้องเป็นอะไรไปใจของเราก็เกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเราจึงต้องพยายามสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆฟังเทศอยู่เรื่อยๆแล้วก็นาเอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ร่างกายของเราจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขาคือเขาจะต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเราท่องคาถานี้อยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่หลงเราจะรู้ทันความหลงเราจะรู้ความจริงและเราจะมีความกล้าหาญที่จะรับกับความจริงนี้ได้ ถ้าเรารับความจริงนี้ได้แล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายแต่ถ้าเราไม่คิดถึงความจริงอันนี้แล้วเราจะถูกความหลงเข้ามาหลอกเราทันทีหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอเรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่ไปนา น, าน อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความกมังวลเกิดความห ว, วาดวิตกขึ้นมาทันทีเพราะร่างกายมันจะแก่ลงไปเรื่อยๆทุกวันร่างกายเดี๋ยวก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะต้องตายไปเวลาเราเห็นร่างกายของคนอื่นตายไปเราก็ตกใจขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่ตกใจเพราะเรามีความรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้และเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นใจมันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พวกเราไม่กล้าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะเราถูกสอนมาให้คิดว่า ถ้าคิดเรื่องความตายแล้วเป็นเรื่องอัปมงคลไม่ใช่เป็นเรื่องมงคลนี่เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าการคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆนี่แหละเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลที่สูงสุดเพราะเมื่อเราคิดถึงความตายแล้วเราจะเกิดปัญญา เราจะฉลาดเราจะรู้ทันความจริงเราจะรู้ทันความหลงที่จะมันจะไม่สามารถมาหลอกให้เราไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายจากจากใจไปเมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วใจก็อยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนอะไร ลองสังเกตดูถ้าสิ่งไหนเราไม่มีความอยากด้วยสิ่งนั้นจะไม่มีความหมายกับเราอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเราจะไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าเรามีความอยากกับสิ่งไหนแล้วเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีถ้าเราอยากให้บ้านของเรานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้พอเกิดมีน้ำท่วมเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมา เราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเลยอยู่ที่ใจของเรานี้ทํางนั้นความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆไม่ว่าเขาจะดีเขาจะร้ายอย่างไรถ้าใจของเราไม่ไปมีความเกี่ยวข้องด้วยแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเช่นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเลย แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารู้จักเช่นพ่อหรือแม่หรือลูกหรือพี่หรือน้องหรือสามีหรือภรรยาใจของเราจะเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีเพราะใจของเรามีความอยาดกับร่างกายของของคนเหล่านี้นั่นเองดังนั้นปัญหาของความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลง แต่มันอยู่ที่ใจที่ไปหลงไปอยากกับเขาเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่ตรงใจของเราเราอย่าไปแก้ภายนอกเช่นร่างกายของเราเช่นเราไม่อยากแก่เราก็ไปหาหมอให้เขาทำศัลยกรรมด้วยวิธีการต่างๆดึงเนื้อดึงหนังให้แต่งให้ตึงย้อมผมย้อมเปลี่ยนผมย้อมสีอย่างนี้ มันก็ทำได้เดียวเดียวไม่นานมันก็กลับมันก็ต้องแก่ลงไปเหมือนเดิมหรือจะไปหาหมอให้หายาวิเศษขนาดไหนมาเก็บเอาไว้เพื่อจะได้รักษาร่างกายหรือป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทำไม่ได้เพราะร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเคาของของขอทาน อของมหาเศรษฐีมีเงินทองสามารถซื้อยาได้ทุกชนิดมามันก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ฉะนั้นเราอย่าไปแก้ปัญหาตรงที่ร่างกายเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจเพียงแต่เราอย่าไปอยากเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะไม่ทุกข์ เหมือนกับเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเขาจะแก่เขาจะเก็บเขาจะตายอย่างไรเราก็ยิ้มได้เราก็หัวเราะได้เราก็ไปทํานูน่นทํำนี่ได้อย่างปกติแต่พอร่างกายของคนที่เราอยากเกิดขึ้นเท่านั้นเองพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาตายไปเท่านั้นเราไม่สามารถดําเนินชีวิตอย่างปกติได้เสียแล้ว ไม่สามารถยิ้มหรือหัวเราะได้เหมือนเมื่อก่อนนี้เพราะอะไรเพราะความอยากของเรานี่เองเพราะความหลงทำให้อยากดังนั้นเราต้องมาแก้ความหลงด้วยการหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟ ร่างกายนี้ทั้งของเราและของทุกๆคนเป็นอย่างนี้ถ้าเราสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไม่ลืมแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็อลองให้เอาไปทําดูพระพุทธเจ้าทํามาแล้วพระอรหันตาสาวกทั้งหลายทํามาแล้วสอนใจจนกระทั่งไม่หลงอีกต่อไปไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ ไม่หลงคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปตลอดและจิตใจของท่านก็สบายหลุดพ้นนี่แหละคือวิธีที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ใจดูแลรักษาใจด้วยธรรมะอย่างวันนี้เราก็มาดูแลรักษาใจกันด้วยการมาทาบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี่คือการสร้างปัญญา สร้างความรู้สร้างความฉลาดให้เกิดขึ้นกับใจเพื่อใจจะได้ปล่อยวางจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเหล่านี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา